ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิลัยสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องเทระคาถาคือลักษณะของเทระคาถาซึ่งเป็นระวังกษัตรุศาสตร์อย่างหนึง่งไอตัวภาษิตคือตัวคำสอนพิเศษเนี่ย ก็จะปรากฏอยู่ในพระไัยบิดกแต่ว่าข้อความที่อธิบายขยายความก็พระเจ้าก็คงจะทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่ว่าเวลาทาสังคยนาท่านไม่ได้เอามาลงไว้เพราะถ้าลงไว้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็อย่างมหากุฎราชตุทิยาไหล ได้พิมพ์พระไตรปิฎกแปลควบด้วยอัตรกรถาคือตัวพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็มีอยู่45เล่มพอแปลไปควบกันเป็นภาษาไทยมันก็กลายเป็น91 เ, เล่มประจัะนั้นข้อความในอัตรกรถาก็คือข้อความจริงๆนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าโดยพิสดานบ้างเล่าโดยสรุปบ้างก็ต้องการเน้นประเด็นที่ต้องการจะแสดงในที่นั้นๆคำสอนในแนวนี้มีอยู่มากก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะอยู่ในประยัยบิดดกหมวดที่เรียกว่าขุตากะนิกายเกิดท่านเรียกว่าหมวดเบ็ตเตล็ก จะก็มีองค์ธรรมคำสั่งสอนในมากที่สุดดีถึงสิบห้าเรื่องเลยกันแล้วก็ประกอบด้วยประจิยบิดกเนี่ยก็รวมยี่สิบเล่มนะฮะอย่างที่เราแพร่หลายกันมากก็คือเรื่องของธรรมบทประธรรมบทก็มีลักษณะเดียวกับเรื่องของเทราคาถา แต่ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องราวประวัติบุคคลเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าในเทรคาถาเนี่ยจะพูดเรื่องประวัติอดีตของพระเถระพอเป็นเทรีคาถาก็จะพูดเรื่องภิกษุณีพอจะพูดถึงชาดกไอ้นี่ก็อีกแหละคล้ายๆกับพระธรรมบท ก็เป็นเรื่องราวของบุคคลเยอะส่วนใหญ่ก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงอุบัตในยุคนั้นนั้นนำมาเล่าโดยย่อบ้างโดยพิสดารแบแล้วตั้งก็นำมาเรียงไว้ด้วยระดับของอัตตกถาคือระดับของพระคตถา เช่นประกอบด้วยประกาถฐานเดียวก็เรียกว่าเอกานิบาตประกอบด้วยสองคาถาก็เรียกวัทุ ก, กานิบาตก็ไปเรื่อยนะฮะไปเรื่อยไปยาวเหมือนกันก็ต่อไปก็อะไรละ่ะอปาทานพุทธวงศจริยาบิดกเบตาวัตถุวิมานวัตถุอะไรเนี่ยทั้งหมดคือแนวเดียวกันทั้งหมด ก็เป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นการกระทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วออกว่าเป็นถูกเป็นผิดแล้วมีผลที่สืบพบสืบชาติแล้วก็สืบต่อกันมาในรูปสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ดีนี่ก็เรียกว่าอาสวะถ้าดีก็จะเรียกว่าบารมี แต่ว่าเนื่องจากเป็นประวัติพระอระหันต์มันก็มีบารมีมากกว่าในส่วนที่เป็นอาสวะส่วนใหญ่ท่านเหล่านี้จะเป็นพระอระหันต์ที่นำมาเล่าเนี่ยจะเป็นพระอระหันต์แต่คงไม่เล่านานหรอกก็จะคิดว่าเอาสักสี่ห้ารูปหนึ่งเพราะว่าเคยเล่าเรื่องภิกษุณีมาแล้วถ้าไม่เล่าเรื่องภิกษุมันก็รู้สึกอย่างไงอยู่ พระเทระแต่ละรูปที่จะนำมาเล่านั้นก็คือองค์ที่มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยจะเริ่มต้นที่พระอัญญากลทัญญาวาสาริบุตรพระมากัส ป, ปะพระอนุนพระอนุรุตอะไรเนี่ยนะคือหมายความมาเป็นพระเทระบุรพจารย์ที่มีความสำคัญมีบทบาทสำคัญ ปัญญากลุลธัญญากับประสานีบุตรนั้นนิพานไปก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระอนุรุตก็ดีพระอนุนก็ดีพระหมากศรีปะก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุรพจารย์ที่มีความสําคัญเป็นผู้ทําสังกานาในครั้งแรกแล้วก็พระครูบาอาจารย์รุ่นนั้นก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือรพระมหากระสปะพระนนทพระบาลีพระอนุรุตสามสี่รูปเนี่ยก็สืบสายลกสิษิ์กันมาจนถึงบ้านเราเนี่ยมาก็เป็นพระเทระผู้เท่าสี่รูปเนี่ยเป็นประวัติที่น่าศึกษาเพราะว่าก็ทําให้เห็นว่าชีวิตในช่วงชีเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงสูงสู ง, สงต่ําๆ อ, อนิยายไม่ค่อยได้แต่มันก็สัแดงถึงผลแห่งบุญผลแห่งบาปที่ชัดเจนบางครั้งก็ปรากฏในชาติเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็มีทั้งผลบุญผลบาปให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นลีลาชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่ง มีการสอนให้เรารู้มีการทำให้เราดูมีการอยู่ให้เราเห็นแล้วสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่วันก็เย็นให้คนยุคนั้นเขาสัมผัสได้พระ ญ, ญากโคนทัญญาที่จริงเป็นปฐมสาวกเกินไปเป็นประสาวกรูปแรกที่ฟังปฐมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเดบรลุมากคผลเป็นพระโสดาบัน ชีวิตและผลงานของท่านนั้นก็ไม่ค่อยแพร่หลายอะไรเท่าไรหรอกเพราะว่าเราลองนึกเทียบเคียงอายุของท่านกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าสามสิบหกตอนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปีที่สามสิบหกก็แสดงว่าพระัญญากลทันดาอย่างเบา ก, กก็ต้องห้าสิบหก้าสิบเจ็ดแล้ว เหล่าท่านไม่ต้องการสร้างความหนักใจให้แก่พระอรหัน ร, รุ่นใหม่เพราะว่าจะต้องแสดงความเคารพต่อท่านอยู่ตลอดท่านพกาประยูท่ทสะชัดท่านก็ในป่าหิมพผานผล บ, บทบาทการเคลื่อนไหวผลงานต่างๆมันก็มีไม่มากมีผลงานที่ถือว่าเด่นมากก็คือ เป็นนัปุณณะมันตานีบุตรซึ่งเป็นหลานชายเป็นลูกของน้องสาวเข้ามาบวชตอนที่พระพุทธเจ้าส่งไปเผยแผ่ศาสนาในครั้งแรกที่นี้ประวัติพระสาวกทั้งหลายในส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นบำเพ็ญบา ร, รมีตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรผลในยุคของพระพุทธเจ้ารงใดพงหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ยจะตั้งความปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปตุมุตระกนานนะก็ย้อนไปไกลอะ่ะขณะที่เราเอามาสวดกันพระวิปสัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระโกนาคมประกศาศสปะพระโคตมะเนี่ยก็ยังสาวไปไม่ถึงพระ พระพุทธเจ้าที่สรงพระนามว่าปฐุมุต ร, ระก็รวมแล้วก็สองอสงไขยกับกาไรแสงกลับคือนับย้อนถอยไปจากสมัยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยว่าสองอสงไขยกับกำไลแสงกลับแต่พระพุทธเจ้าเราตั้งความปรารถนานานกว่านานและคือนานอีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกเท่าตัวเน คือสมัยพระพุทธเจ้าสุมนามปฏีปังกะะหรือชีปังก่อนปฏีปังกรนั้นท่านนับพระพุทธเจ้าในยีสบแปองค์ก็อยู่ยุคต้ตนๆอะยุคที่สามองค์ที่สามตันหังการโอมหาวีโรเมทังการโอมาราสุสรารนังกา ร, รโรโลไกโตแล้วก็ ลีปังกรโรชุดินทโรก็แสดงว่านับจากพระตานหังกรรูปแรกนะก็คงรูปแรกในชุดยนะี่สิบแปดท่านก็อยู่ระดับที่สามส่วนพระพุทธเจ้าทรงประนามาพระปตุมุตระนั้นก็อยู่ถึงช่วงกลางกลางแต่ก็สรุปว่าเรื่องนานก็แล้วกัน ทีนีการที่เป็นเรื่องนานอย่างนี้คนที่จะเล่ามันก็มีได้สองคน น, นั้นเองก็คือพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไล่ลเล่าเองก็พระอระหันตอนั้นแหละเมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์แล้วท่านก็จะเล่าหรือจะเปล่งเป็นอุทานแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ ก็ประวัติของพระอัญญากฏัญญานั้นก็ เ, เรียกว่าอยู่ในโสรสนิบาตหมายความมาประกอบด้วยพระคาถาสิบหกพระคาถาก็แบบมหาชาติมหาชาติเราจะเห็นว่าสิบสามกันนี่มันมีพันคาถาบางกันก็ยาวมาก บางการก็อาจจะสิบกว่าคาถาก็มีแต่รวมแล้วก็เป็นพันคาถาตรงนี้นเรียบรูปรูปเดียวนะฮะแต่ว่ามีสิบหกคาถาทานเล่าถ้าเล่ า, าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าพุทธมุตตระ บ, บอกว่าสมัยนั้นแหละปัญญาโกลธัญญา ก็ได้เกิดในสกุคลคระบดีหมาสานในพระนครหังสาวดีพอเจริญเติบโตแล้วก็ได้ฟังธรรมในะสำนักพระศาสดาก็เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รัตัญยูคือเกิดนานอายุมากนะ่รัตัญยูก็แปลว่าผู้มีรู้ราศรีนาน คนเกิดมา9ก้าสิปีมันก็ต้องมีรู้ราศีนานรู้วันเวลานา น, านกว่าคนห0ปีแหละก็ถือว่าเป็นรัตตัญูบุคคลที่น่าเคารพนับถือตาท่านเป็นคนดีด้วยแล้วก็ยิ่งหน้าเคารพนับถือใหญ่แต่ยังไงยังไงถ้าท่านเป็นผู้เท่าเราก็ต้องยอมรับอยู่แล้วก็เป็นการยกย่องในธรรมที่ภิกษุรูปนั้นแหละตัสรู้ เป็นองค์แรกในศาสนาของพระพุทธเจ้าสุภนามว่าปตมุตระท่านเกิดพอใจอะพอใจในตำแหน่งนี้อยากจะเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่บรรลุธรรมเป็นคนแรกคือท่านชอบกับท่านอย่างนี้ก็ปรารถนาตำแหน่งเหล่านั้น ก็แสดงว่ามีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากก็ถวายมหาทานแก่พระศาสดามีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารตลอดระยะเวลาเจ็ดวันแต่ถ้าผู้ฟังไม่ต้องตื่นเต้นนะนะครับเพราะว่าพระอาหารหันต์เหล่านั้นก็เป็นพระอาหันต์การถวายพระตาหาร แสนรูปก็อาจจะช่วยกันตักหลายๆคนแต่ท่านก็รับไปเท่าที่ท่านจะฉันได้อิ่มคือไม่ให้เหลือแต่ยังไงก็ตามนะเจ็ดวันเลี้ยงพระหนึ่งแสนรูปทุกวันเนี่ยรวมแล้วก็เป็นเจ็ดแสนเนี่ยก็ใช้จ่ายไปไม่น้อยมันแสดงให้เห็นอะไรอะ่ะแสดงให้เห็นถึงพลังของทานบารมี ที่อยู่ภายในใจของเทนต์และเห็นความสำคัญของการบรรลุสาวกภูมิเหนือกว่าความมั่งคั่งของทรัพย์สินเงินทองคือคนเราถ้าเห็นค่าอะไรมากแล้วจะเสียสละสิ่งหนึ่งเพื่อได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีค่ามากกว่าแต่ในนี้ก็ต้องถือว่ามีค่าที่สุดแหละ ประวัติศาสตร์โลกที่เกิดมาในโลกมันแม้ไม่รู้สักกี่พันล้านคนนะอย่างในปัจจุบันก็เท่าไรละหกพันหกพันสี่ร้อยกว่าล้านสมัยนั้นก็คงคนคน ค, คงไม่มากขนาดนี้หรอกแต่ว่าคนมันสร้างบารมีมากๆแล้วมาเกิดพบพระพุทธเจ้า ไอบารมีมันกระตุ้นเตือนก็ส่งให้สละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาบวชแต่ท่านโกนธัญญาในชาตินั้นเขาก็ไม่ได้บอกชื่อนะฮะว่าชื่ออะไรก็ไม่ได้บอกไว้แต่ก็เป็นเครื่องบอ ด, ดีมีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยแล้วเสร็จแล้วเมื่อถว า, ายทานเสร็จก็ตั้งความปรารถนา ก่าขอให้ท่านนั้นได้เป็นได้รับการยกย่องในสานักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งใ น, ในอนาคตการอันนานไกลก็สองสมข็ยกับกระไม้แสนกลับอันนี้คือพลังของความเชื่อมัน่นมันต้องเชื่อมั่นว่าในโอกาสต่อไปจะมีพระพุทธเจ้าในอนาคต แล้วความดีคือบารมีที่บุคคลสร้างสมบูร่มไว้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอายุยืนพอสมควรจนได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัจธรรมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันมันอยู่ภายในใจของท่านแต่แสดงออกมาในรูปมโนปณนิธานที่ตั้งความปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าความปรารถนาของท่านเนี่ยจะไม่มีอันตรายคือสามารถที่จะบรรลุผลได้ก็ทรงพยากรสมบัติอันเป็นเครื่องเจริญใจท่านก็เรียกว่าคล้ายๆจะได้แล้วเลยก็ทำบุญตลอดชีวิตเลยทีเนียเสียสละทรัพย์สินเงินทองไม่ได้คำานึงถึงความสิ้นเปลือง ก็าำบุญตลอดชีวิตเมื่อประสาทสดาไปนิพพานแล้วก็ได้ช่วยกันสร้างเจดีถวายถึงฟังเราสังเกตนะเจดี JD นี่โอ้โหมันนานมหาศาลมากๆเลยคือเราไม่ค่อยพบเรื่องพระพุทธรูปนะเราพบเรื่องเจดีหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆนิพพานไปแล้วก็จะมีการสร้างพระเจดี มันก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือสร้างรวมกันมีความกว้างมีความใหญ่มีความสูงก็วิจิตพิสดารเพราะว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวก็นิพพานไปก็ทุ่มเทลงไปอย่างนั้นแต่พระเจ้าบางองค์ก็มีการกระจายเพื่อประชาชนทั่วไปได้ สักการบูชาต่อพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆเฉพาะตัวท่านเองก็ได้สร้างเรือนแก้วไว้ภายในเจดีย์เรื่องเรือนแก้วนั้นมีค่าหนึ่งพันพันดวงแล้วก็ล้อมรอบพระเจดีย์ ควมหมายความว่าเป็นทั้งแสงสว่างเป็นทั้งฐานวัตถุคือดวงแก้วแล้วก็ให้เป็นประทีปคนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลแบบตรงตัวนะครผลแบบตรงตัวตามที่เราให้ว่าการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานภาชนะเป็นการให้ความสุข การให้ประทีปคือแสงสว่างก็เป็นการให้ดวงตาคือปัญญาแล้วก็ตาเนื้อด้วยนั่นแหละหมายความวม่าตาเนื้อมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงมองอะไรได้แจ่มใสชัดเจนแม้จะแก่เท่าชะลาไปแล้วแต่ว่าตาอย่างดีนั้นก็หมายความว่าเหตุกับผลให่จะยันกันไป อย่างท่านพูดว่ามักท่านอย่างไงมกัมกมักบุญอย่างไงมักท่านอย่างนั้นท่านได้ทำบุญทั้งหลายอย่างนี้จุติจากอัตภาพแล้วก็ท่องเชีย่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเงินมากขอผ่านพระพุทธเจ้ามาเยอะหลายองค์ก็ไม่ได้เล่าประมานในศาสนาพระวิปัสสี พระอย่างที่นับไปฟังตะกี้ว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสภูพระโกนาคมพระกัสสปะพระโคดมะก็หมายความมานับย้อนพระพุทธเจ้าเราขึ้นไปเนี่ยคือองค์ที่หก็บังนเกิดในศาสนาของพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดเป็นกุรุมพีชื่อหมาการได้จัดแจงเข้าปายาิปรุง้วยน้ำนมล้วน ซึ่งทำจากข้าวสารแห่งข้าวสาลีที่ตนฉีกท้องข้าวสาลีในที่นาประมาณแปดไร่แล้วคนออกมาผสมน้ำพึ่งเนยใสน้ำตาลกรวดเป็นต้นเข้าไปถวายข้าพระญาตนั้นแล้วได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสถานที่ที่ท่านฉีกท้องข้าวสาลีแล้วก็คนมา กลับบริบูรณ์เหมือนเดิมอันนี้ก็เรียกว่าผลอนนีส้สง์เจตนามันแรงคือในช่วงตวเรเนี้ประวัติเต็มเต็มเนี่ยเต็มเต็มเฉพาะตอนนี้นะคคือท่านชื่อมาการน้องชายชื่อบุจุลาการพ่อแม่ตายไปแล้วพี่ชายเกิดสธาเลื่อมใสในพระวิปัสสีสมาสัมพุทธเจ้าอยากจะถวายอาหารที่ปรุง้วยข้าวในนาทั้งหมดเจ็ดครั้งด้วยกัน เจ็ดหรือแปครั้งนี่นะคือหมายความมาตั้งแต่ข้าวเริ่มเป็นน้ำนมแล้วมาคั้นเอาเฉพาะน้ำนมกรองกรุงอย่างดีก็มีลักษณะเป็นของหวานนะเพราะว่าเครื่องปรุงทั้งหลายนะี่มันเป็นของหวานแล้วก็ท่านทาอย่างนั้นจนข้าวสุกหุงข้าวชี่เก็บเกี่ยว มาใหม่เนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระสงฆ์ชวนน้องชายก็ทําชวนน้องชายก็ทําด้วยแต่น้องชายบอกไม่เอาอ่ะมันสิ้นเปลืองทําอย่างนี้ก็สิ้นเปลืองก็ทําตอนเกี่ยวเสร็จเถอะพิชายไม่ยอมพิชายจะรู้ยจงไงว่าเราจะอยู่จนถึงได้เกี่ยวข้าวแต่ตายไปก่อนนี่จะทําไง ในสุดโตลงสองคนพี่น้องก็แบ่งเข้าในนากันทั้งๆ ท, ที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่เนี่ยก็แบ่งพื้นที่นากันมาความาพี่ชายจะทำบุญน้องชายไม่ยอทมยอทำในขณะนั้นนะฮะไม่ยอมทำในขณะนั้นเพราะในการสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่ามันมีปฐมสาวกกับปชิมสาวก ปฐมสาวกก็คือพระัญญากลธัญญะปชิมสาวกก็คือสุพัทธาปิภาชก ค, คนนี้เคยเป็นน้องชายของท่านมาในบางกตีชื่อปจุลการจนเผยนี่ทำบุญหลายครั้งข้าวหลายครั้งข้าวก็คือศรัทธาเลื่อมใสพอถึงตัวเองก็ทาเต็มที่เหมือนกันก็ตั้งความปรารถนาเป็น สาวกที่ได้เห็นพระองค์คนสุดท้ายหมายความมาได้บวชกับพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายแล้วก็ได้ตามปรารถนาปิชายก็ามาเป็นปฐมสาวกน้องชายก็ามาเป็นปัจชิมสาวกนี่คือแสดงให้เห็นกระบวนการของกรรมกรรมมันไม่หายไปไหนหรอกแต่บางทีเราตั้งเป้าไว้ไกลอย่างของ มาการกับจุลกาณเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งเป้าไว้ไกลเพราะต้องการจะขอเป็นปฐมสาวกปัตชิมสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าองค์งงงนั้นแหละที่ท่านจะไปเกิดเจอเนี่ยจะชื่ออะไรก็รตั้งความรัถนาอย่างนั้นเับนบุมก็ติดตาม ติดตามไปเรื่อยๆแล้วให้ผลเต็มที่ส่วนให้ผลปลีกย่อยนั้นก็ให้ผลไปเรื่อยๆในสังสารวัดเนี่ยบุญก็ปกป้องคุ้มครองรักษาอภิบาลคนเหล่านั้นไปเรื่อยๆแต่ผลเต็มที่ยังไม่แสดงเพราะเวลามันยังไม่ถึงก็ต้องรอเวลาสองมือเนอสงขัยกับกําไรแสนกับ แล้วท่านก็ได้เป็นพระโกนธัญญาน้องชายก็ได้เป็นสุภธาปริพาชกทีนี้เมื่อท่านได้ถวายทานด้วยประการต่างๆอย่างนี้แล้วก็ที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่ า, าข้าวในแปดไร่เนี่ยแปดไร่ผมก็กว้างเหมือนกันนะ ที่ท่านฉีกแล้วก็ปรุงถวายพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์มันก็กลับงอกขึ้นมาได้ทุกคราวไปหมายความาอยู่ในจุดที่มันเติบโตไปเรื่อยๆนั่นแหละผลข้าวในนานั้นแหละท่านก็ได้ถวายแปดครั้งอันนี้เราอยากไปคิดนะว่าทำไมไม่เกิดแกเราล่ะ เราจะเห็นได้ชัดพระองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ให้ของท่านเนี่ยองค์ประกอบก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้ามีพระเป็นประมุขแล้วก็มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระหานล้ว น, วนเป็นบริวารแล้วก็เป็นเวลาช่วงตั้งเจดวันเพื่อนระอรหันต์บางองค์พระพุทธเจ้าเองก็คงจะเข้าสมาบัติ ผลองประกอบก็เรียกว่าสัมภัทคุณมันมีครบสี่ประการคือหนึ่งเขาเรียกว่ า, า, าวัตถุสัมภาคนที่รับทา น, นั้นบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาสุดยอดนะฮะสุดยอดของทักษิณในยบุคดและปัจจัยของท่านลน้นล้วนเลยเข้าในนาของท่านลน้นล้วนเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลย ปัจจัยบริสุทธิ์มากสิ่งที่นำมาถวายนั้นบริสุทธิ์มากและเจตานานั้นไม่ต้องพูดเพราะว่าท่านทำด้วยใจเรื่มใสแล้วไม่ได้รักษาเจตานาไว้ได้เพียงวันเดียวรักษาเจตานาไว้อย่างนั้นสม่าเสมอตลอดระยะเวลาเจ็ดวันตอนนั้นก็เป็นผลของปรารารเจตานาที่ออกมาในรูปแบบต่างๆอีกเป็นนมากที่ไปเกี่ยวข้องูกพันกับพระพุทธเจ้า อันนี้คืออนุภาพเป็นบุญสำโวนบาลีพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลมาของผลบุญที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำลงไปจากนั้นมามาท่านก็ถวายทานไปเรื่อยๆนะฮะท่านก็บอกว่าถวายทานในในสมัยอะไรอะ่ะในเข้า สมัยที่เป็นข้าวเมา่าแล้วก็ถ้าถวายข้าวเมา่าชั้นยอดในฤดูเก็บเกี่ยวก็ถวายทานชั้นยอดในฤดูเก็บเกี่ยวในขราวทําคณิดก็ถวายทานชั้นยอดในคราวทําคณิดคณิดนี้เป็นยังไงก็ไม่ทราบอนกันนะฮะก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวนะั่นแหละแล้วในคราวมัดเป็นฟ่อน เป็นต้นก็ถวายชั้นยอดในขราวมัดเป็นฟ้อนเป็นต้นแล้วถวายทานชั้นยอดในขราวขนขึ้นหลานชั้นยอดในขราวนวดชั้นยอดในขราวนับจํานวนชั้นยอดในขราวขนเข้าฉากรวมความว่าเก้าครั้งนะฮะคือเก้าครั้งไม่ใช่เจ็ดครั้งคือเก้าครั้งเลย เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยมันศรัทธามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นเพราะอะไรเพราะว่าถวายไปแล้วมันกลับมาถวายไปแล้วกลับมาถวายไปแล้วกลับมาแอ้นี้มันจะเกิดปีติประโมทที่ต่อเนื่องหลายสิบปีมาแล้วนะเคยไปบินธ บ, บาตแต่บางลําพูนนี่แหละบ้านโยมคนหนึ่งก็ตักบาทเยอะจัง แล้ววันหลังก็พบกับท่านบอกโยนตักบาตรอย่างนี้ทุกวันนะแกบอกอย่างนี้ทุกวันแหะถามว่าโยนไม่กลัวอะไรถามว่ากลัวอะไรบอกว่ากลัวจะไม่มีเงินทำ บ, บุญตักบาตรแกบอกโอ๊ยไม่ต้องกลัวท่านมันมาเองเราทำบุญอย่างเงี้ยมันมาเองอันนี้ก็นานขอนจะเข้าอยู่กรุงเทพ เ, เพาะพ่าโยมคนหนึ่งเหมือนกันเป็นอนดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าออกจากราชการแล้วก็อยู่กันสองคนตายายมีพระพุทธรูปมาเข้าฝันให้ช่วยปฏิสังขรณ์คือมุงหลังคาหลังคามันรั่วแล้วก็รถท่านสองสามีพัญญาก็ยากจนน่ปรึกษากันบอกว่า เราจนขนาดนี้แต่ว่าคนรวยอยู่เยอะรอบบ้านเราพระท่านไม่ไปหาแต่ท่านมาหาเราเพราะมีอะไรก็ทําไปเต็มที่เลยแกแขวนเงินทองต่างๆที่เก็บรวบรวมมาไว้เล็กๆน้อยๆก็เอามารวบรวมขายหมดเลยเอาไปจ้างให้คนไปจาัด ก, การมุง<ม>หลังคาให้เรียบร้อยถวายเรียบร้อยตกแต่งประดับประดาให้เรียบร้อย แล้วการต่อมาที่มันแปลกคือท่านเล่าให้ฟังทีหลังนะเพราะมันแปลกว่าไอจากการค้าขายทีละลิตทีละแกล่งทีละถังเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นทีละกรสอบทีละตันตกลงจนส่งข้าวออกนอกตอนนั้นท่านรวยแล้วนะแต่มังจะสร้างเจดีย์ถามวโยมไม่กลัวจนน แกบอกว่าครูอะไรมาเองนะท่านมันมาให้ผมทำบุญเองเขามาเพื่อให้เราทำบุญนะเราก็ต้องทำบุญจนในที่สุดท่านก็สร้างเกีรตดีจหญ่ใตัวขนาดไหนยังยังไม่เคยติดตามนะฮแต่ว่าไอ้ น, นีค่คือพลังของศรัทธาที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่า เมื่อบุคคลจะทำบุญให้ทำบุญนั้นบ่อยๆพึงปลูกฝังความพอใจในบุญนั้นเพราะการสะสมบุญเอาไว้เนี่ยจะนำความสุขมาให้ผลมาการาก็มีลักษณะอย่างเดียวกันก็เรียกว่าทุ่มตัวลงไปเต็มที่เลยหวังผลสูงสุดคือการเป็นสาวกปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าใ น, ในอนาคตการที่นานไกล ท่านทำบุญทั้งหลายจนตลอดชีวิตแล้วก็จุติจากอัตาภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนินานเพราะอะไรเพราะว่าพอน้าพระพิปัสสีซึ่งนับจากพระพุทธเจ้าขึ้นไปเป็นองค์ที่หกแล้วเนี่ยแล้วก็ช่วงตรงช่วงตรงกลางที่ท่องเที่ยวในเทวดามนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านไม่เล่าท่านก็นมาเล่าในช่วง ที่พระพุทธเจ้าส่งอุบัติเกิดในโลกคือท่านเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเลยนะฮะก็ได้มาเกิดในสกุลพราหมาสาลในหมู่บ้านโทนวัตถุไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสด์ได้ชื่อนามตามโคตรประโลทัญญาเรียนจบไตรเพศเรียนจบมุฑลทำนายลักษณะมือพระโพธิสัตว์จุติลงมาจากสวรรค์ มอบตรในรูกบินละพัดอย่างที่เรารู้กันเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในพราหมณ์หนุ่มพราหมณ์นี่ก็เชิญมาจริงร้อยแปดคนแล้วก็ในพราหมณ์ร้อยแปดให้คัดสรรว้ยอดของพราหมณ์ที่เก่งในการทำนายลักษณะเนี่ยขาให้เลือกมาแปดคนปรากฏว่าพราหมณ์ร้อยคนเนี่ยเลือกเด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปี ก็เรียกไม่เกินยี่สิบปีให้เป็นหนึ่งในคณะผู้ทำนายลักษณะของ ร, ราชกุมารที่ประสูตรใหม่ก็ในการทำนายนั่นแหละคนอื่นก็ยกนิ้วสองนิ้วบอกว่า ร, ราชกุมารองนี้จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ท่านเป็นพรามหนุ่มเชื่อมั่นในเวทมนต์คาถาตำรับตำราที่ศึกษาและเรียนมาท่านเชื่อท่านยกนิ้วเดียวเลยพระราชาโกมาร น, นี้จะต้องเป็นพระพุทธเจา้าเขาเรียกว่ามีกิเลสดุจหลังคาที่มันเปิดแล้วหมายความไม่มีกิเลสอยู่ภายในใจแล้วก็ในการต่อมาเนี่ยจะลืมมาตอนนั้น พระพุทธเจ้าเราก็เพิ่งประสูติใหม่ๆก็ได้วันสองวันท่านนั่นเองแต่ท่านเหล่านี้อายุยี่สิบกว่าแล้วพรามอีกแปดท่านนั้นก็หนักไปทางเชื่อว่าจะเป็นผู้ตรัสรูเหมือนกันแต่ว่าดูตัวเองกับววยพระราชกุมารแล้วมันเทียบกันไม่ได้กว่า ร, ราชกุมารจะจะเริญไวยขึ้นมาแล้วก็เสด็จออกผนวช พวกท่านก็คงตายหมดแล้วแหละคนตัญญานั้นเขาก็อายุไม่ไม่มากเขาก็รออีกสักสามสิบกว่าปีเมื่อพ ร, ระพระโพธิสัตว์เสด็จออกพรนหนวดท่านก็พรนหนวดตามแต่ว่าเราจะเห็นว่าท่นว่าป่าพัตยามานามาอัจฉินี่เป็นลูกของพราหมณ์แปดคนนั้นแหละ พ่อก็สั่งไว้ว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระนามที่เรียกตอนส่งพระเยาว์นอกจากว่าเรียกว่าโคตมะตามพระโคดแล้วเนี่ยพระญาติเองก็ถวายพระนามว่าอังคีรถแต่ว่าที่พราหมณ์ถวายพระนามเนี่ยเรียกว่าสิท ธ, ธัตถะหรือสิทธารถะ คนโบราณบางทีก็อ่านว่าสิท ธ, ธาตนะฮะแต่ว่าฟังแล้วไม่ชอบไม่เปราะอ่านสิทธาลถาดีกว่าแปลว่าปรารถนาอะไรต้องการอะไรก็จะประสบความสาเร็จในการต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จออกสวยงามโมกขธรรมอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละก็ทรงศึกษาค้นคว้า ในช่วงแรกเนี่ยท่านเรานี้บวชช่วงไหนนีมน่มันข้อความไม่ค่อยสัดแต่ยังเข้าใจว่าน่าจะบวชตั้งแต่น้นแหละตั้งแต่เพราะว่าท่านติดตามข่าวอยู่ตลอดพร ะ, ระพุทธศิสนาเด็ดออกพนวดท่านก็ออกพนวดดามคือสมัยนั้นที่จริงมันมีอีกคนหนึ่งชื่อนาลกะ นากา น, นั่นเป็นหลานของอสิทดาบทหรือกาลติวินดาบทคนที่มาทำนายคนแรกแหละตอนพระนางสิมามายาประสูติใหม่ๆพอเสด็จกลับถึงวังท่านก็มาเยี่ยมเลยแล้วก็ทานายเลยทนายยทนายแล้วก็ร้องไห้เสียใจดีใจร้องไห้ดีใจที่มีพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกแต่ก็เสียใจว่าตนนี้แก่เยอะแล้วแล้วก็สร้างหลานชายเอาไว้ ชื่นารกานี่ไปสั่งเอาไว้ว่าเธอสืบข่าวดูนะถ้าเจ้าพระราชกุมานเสด็จออกพันวดเดบวดไปรออยู่เลยสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ใด้ได้เมืาะท่านเหล่านี้จึงเป็นสาวกรุ่นแรกเป็นสาวกรุ่นแรกแรกนะคือว่าห้าองค์นี้รุ่นแรกพระนารการก็มาติดติดกันนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามาก่อนพระยศะหรือว่า มาใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ได้บอกไว้เราทุกมองคนเนี่ยยุคนั้นว่าคอยตื่นเต้นกับการที่ทำตในให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์กันมากจริงๆนึกถึงวัญญากรัญญานี่รอคอยมาสามสิบห้าปีท่านเหล่านั้นก็รอคอยกันไม่น้อยแ่ะอายุก็คงมากมากกว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้น โดยปรารถนาเพียงแต่หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ไม่ปรารถนาทรัพย์จริงคารอะไรแต่ประการใดต้อ ง, งลองสังเกตดูจิตเราก็ได้นะดจิตเราก็ได้ตามปกติแล้วเราถูกครอบงำด้วยความหลงที่เราโลภเนี่ยเพราะเราหลงที่เราโกรธเนี่ยเพราะเราหลง ที่เรามีความกำหนัดเนี่ยเพราะเราหลงที่เรามีความพริษยาเนี่ยเพราะเราหลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าคนไม่ได้มองให้เข้าใจในกระบวนการของจิตคือกิเลสพากิเลสกระทำหน้าเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นธรรมแต่ว่าเวลาเราพูดเราทำเราคิดเนี่ยมันเป็นกรรมและกรรมของใครก่ากรรมของคนนั้น เวลาคนบางคนที่ตัวเองไม่ชอบเขียนหนังสือก็อแล้วออกโทรทัศน์ก็แล้วออกวิทยุก็แล้วเป็นมามีความรู้ดีๆนะเป็นครูบาอาจารย์บางคนนี่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักการเมืองพูดจามไม่น่ารับประทานเลยยังนึกว่าเองเขาเกิดมาได้ยังไงขนาดคนตายเ้าเค ก, กระทืบซ้ำได้เนี่ยฮะคนตายเ้ากระทืบซ้ำได้เนี่ย คนตายนี่ก็ถือว่าจบกันอาโหสิกันคดีจะค้างอยู่ที่ไหนเท่าไหร่ก็เลิกเลิกหมดเลยเพราะว่าการที่เราไปด่าเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราอะแล้วก็ไม่ได้ซ้ำเติมอะไรเขาแต่คนที่ถูกซ้ำเติมคือเราเพราะเราด่าด้วยโทสะ ด่าด้วยโมหะด่าด้วยความริษยาด่าด้วยความโกรธด่าด้วยความพยาบาทก็ไม่รู้แหละหลายๆเรื่องด่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็จากการสังเกตมีพระเขาเ็าเรียกอะไรดาวโหลดดาวโหลดไอ้อินเทอร์เน็ตมาให้อ่านว่าความคิดกระแสความคิดของคน ตอนแรกเราก็สลดใจว่าโอ้คนนี่ยังคิดอย่างนี้เยอะนั่นนั้นสิที่เขาบอกว่านารกมันอัดแน่นเหลือเกินทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนนิยมสะสมบาปรกรรมกันมากแต่เรามองดูแนวคิดของของมหมาการนะฮะจนมาถึงอัญญากลธัญญาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของท่านเนี่ยมหมายความมาเอามาเล่าทุกชาติก็ หนังสือก็สูงทั่วหัวก็เล่าไม่หมดแต่ทั้งเล่าเพียงสามชาติตอนนี้ก็มาแค่สามชาติหมายความมาชาติที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพนาปตุมุตตระแล้วก็มาถึงพระชาติที่พระชาติของพระวิปัสสีสมาสมัสมพุทธเจ้าแล้วก็มาสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าของเราก็ล่าแค่สามชาติ แต่จิตใจที่มุ่งมั่นเชื่อมั่นไฝ่ธรรมของท่านทำให้ท่านไปเผชิญภัยกับพระโพธิสัตว์ต่างปฏิบัติวัาถากด้วยความเคารพเทิดทูนเชื่อมั่นว่าพระองค์จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองได้และในที่สุดท่านก็ ผิดหวังซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะว่าความเชื่อมั่นบางอย่างเป็นอันมากเนี่ยในลักษณะปักใจฝังใจอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องมันมีความสุ่มเสี่ยงสูงมากเพราะเรื่องอะไรก็ตามนะตราบใดที่เราไม่รู้ด้วยยานเนี่ยอย่าไปพึ่ง มอบชีวิตลงไปก็เรื่องเดียดนั้นอย่าปักใจฝังใจลงไปให้มากเปานตัวอย่างจากพระยากรัญญาที่ท่านก็แว่งอยู่ช่วงหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าบา ร, รมีที่มาเนี่ยมันยังมีโมหะอยู่เยอะเหมือนกันก็ทำให้โอกาสที่จะพลั้งพลาดหลงทางมันก็มีได้เหมือนกันต้งฝังทัหลาย เียงธรรมจากความวิทยาลัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจ้าีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี